ท อ, อาจารย์ส่วนโมกที่ข้าพเจ้ารู้จักธรรมะบรรยายโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยหรือเคมานันทะในโอกาสที่อาจารย์โกวิทอเนกชัยหรือเคมานันทะได้รับรางวัลเกียรติยศนักเขียนอมะตะประจําปีพุทธศักราช2549ถึง2550จากมูลนิธิอมะตะ ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่16ตุลาคมพุทธศักราช2550คณะผู้จัดทรรมจึงได้เผยแพร่ผลงานชุดนี้เป็นธรรมทานขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยได้จัดทาเป็นอาจาริยะบูชาในโอกาสฉลองร้อยปีชาตการของท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2,549 ที่ผ่านมาคุณพัฒนาพง์โกสัยกาโนนและอาจารย์ยงยุทธโรจนวรเกียรตเป็นผู้ร่วมจัดทรรม MP3 ชุดท่านอาจารย์ส่วนโมกที่ข้าพเจ้ารู้จักโดยได้รวบรวมธรรมบรรยายที่อาจารย์โกวิศอเนกชัยได้บรรยายไว้ที่ธรรมสถาน จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2536ผลงานชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แนวคิดและคุณูประการทางธรรมที่ท่านพุทธทาสพิคุได้เคยบุกเบิกและแสดงไว้ในแง่มุมที่อาจารย์โกวิทย์อเนกชัยเคยได้สัมผัสมาในช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านได้ใช้ชีวิตศึกษาและปฏิบัติธรรม ร่วมกับท่านพุทธทาสที่ส่วนโมกขพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจธรรมะและส่งเสริมเข้าสู่การปฏิบัติเป็นหลักในนามของผู้จัดทรรมขอกราบนามาเการท่านพุทธทาสภิขุหมู่สงและเหล่ากัลยาณมิตรแห่งวัดศ่วนโมกอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ร่วมกันอุทิศชีวิตในการทำงานบุกเบิกและเผยแพร่แก่นแท้แห่งพุทธธรรมให้เป็นหลักใจแก่มวลหมู่ชีวิตทุกชีวิตขอกราบขอบพระคุณอาจารย์โกวิทอเนกชัยหรือเขมานันทะที่กรุณาอนุญาตให้นำเทพอบรมธรรมของท่านมาจัดทาและแบ่งปันเป็นธรรมทานขอขอบคุณอาสาสมัครของชมรมเพื่อนคุณธรรมทุกท่าน ที่ได้ช่วยดําเนินการในการจัดทําผลงานชุดนี้ขอขอบคุณเพลงพระพุทธเจ้าและเพลงอมะตะที่นํามาประกอบคือคุณดังตรินผู้แต่งเพลงและคุณโยธินพรมดีผู้ขับร้องผลงานชุดนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนําไปทําซ้ําและแบ่งปันต่อๆกันไปเป็นธรรมทานโดยไม่มีการตัดต่อใหม่ขอกราบคารวะและ กราบนามัสการในนามของกลุ่มอิสระแจกซีดีเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน